พระเดือนสามรมแปดค่ำวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปไม่ใช่ล่วงไปตั้งแต่วันคืนปีเดือนชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันก็ล่วงไปลยไปเหมือนกัน ด <clears throat> <c oughs> ้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระพุมิวภากเจ้าจึงได้ดทรงตักเตือนพุทธบ ร, ริษัททั้งหลายให้ตื่นตัวให้นึกคิดว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ไปไม่ได้นานเท่าไหร่นักก็จะต้องหนีจากโลกนี้แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้นะเราจะไปห่วงใยอะไรกับโรคอันนี้ทำไมมันไม่สมควรมันก็มีแต่ทุกข์เปล่าเพราะห่วงใยแล้วไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียวแต่ใจนั้นสิมันห่วงใยแ้วมันเป็นทุกข์ ไปห่วงใยกับของไม่เที่ยง <c oughs> โดยเฉพาะห่วงใยกับอัตภาพร่างกายอันนี้อันเมื่อมันห่วงใยกับร่างกายอันนี้แล้วมันก็ห่วงใยไปถึงสิ่งแวดล้อมตัวเองอยู่นี่เข้าไปอีก แต่ดมันยึงได้เป็นทุกข์หนะักแต่มันก็มีเหยื่อล่อสำหรับให้ติดอยู่ในทุกข์นี้มันมันไม่ใช่ว่ามีแต่สิ่งที่ให้หน้าเบื่อหน่ายอย่างเดียวโลกอันนี้นะสิ่งที่ให้หน้ายินดีเพลิดเพลินมันก็มีอยู่ <c oughs> แต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันก็ไปพอใจแต่ในสิ่งที่ล่อใจให้เพลิดเพลินนั่นแหละมันไม่ได้หวนมานึกถึงสิ่งที่มันจะนำความทุกข์มาให้แก่ตนมาไม่หวนมานึกดูดวงจิตอนเนี่ยที่มันเป็นห่วงเป็นใย อยู่กับของไม่เที่ยงเนะี่ยมันสบายหรือมันเป็นทุกข์อย่างไรมันไม่ได้พิจารณาดูความไม่ได้พิจารณาใครควนนี่แหละมันเป็นเหตุให้คนเราติดอยู่ในของไม่เที่ยงทำให้เป็นทุกข์ทนทรมานอยู่กับของไม่เที่ยง <c oughs> ผู้ที่มี สติมีสัมปชัญญะระลึกได้ใครครวญอยู่เสมอเสมอก็จะเป็นผู้ตื่นตัวจะเป็นผู้ไม่หลงไม่เมาในของไม่เที่ยงเมื่อรู้ว่าตนมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงแล้วมันก็จำเป็นจกฆ่าตัวตายเสีย มันก็ไม่ถูกต้องก็เป็นกรรมเป็นเวรอย่างนี้นก็ต้องปล่อยให้มันแปรปวนไปแตกดับไปตามธรรมดาของมันเพียงแต่ว่าอบรมจิตนี้ให้ทำความรู้เท่ากับสังขารร่างกายต่างๆเหล่านี้เลื่อยไปเท่านั้นเองนะ แต่คนเราเนี่ยมันไม่ชอบอยากจะากทำความรู้เท่าอันนี้แหละมันปัญหามั น, นไม่พยายามไม่พยายามทําความรู้เท่าเ <c oughs> <c oughs> มื่อไม่รู้เท่าแล้วมันก็วันไหวไปตามสังขาร น, นี่เป็นเป็นอย่างนั้นท่านผู้รู้เท่าแล้วท่านไม่วันไหวไปตามสังขาร แน่สังขาร น, นี่มันจะแปรพลนไปอย่างไรจิตนั้นก็ไม่แปรไปตามสําหรับผู้ฝึกตนเป็นอย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจ <c oughs> เมื่อจิตไม่แปรผันไปตามสังขารแล้วจิตนี้ก็ไม่เป็นทุกข์มันก็มีอิสระตั้งมั่นอยู่โดยลําพังตั้งมั่นอยู่ด้วยความรู้จริง ไม่ใช่ตั้งมั่นอยู่เฉยๆเ <c> ด <oughs> ี๋ยวนี้ถูกอวิชชาตันหาครอบงำอยู่ไม่รู้จริงเห็นแจ้งเนื่อว่าจิตอยู่ด้วยความหลงความไม่รู้จริงมันจึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนทุกคนนะถ้าหากว่ามารู้อย่างนี้แล้ว ก็จะไม่นิ่งนอนใจจะพยายามฝึกใจให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นอันจิตนี่เนะ่ะจะเป็นใครก็ตามจะเป็นเพศไหนไว้ไหนภูมิไหนก็ตามมันก็สามารถที่จะฝึกให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้ แต่คนส่วนมากมันก็ตีตนตายก่อนไข้เมื่อตนได้พบกับอุปสรรคอะไรเข้าไปแล้วก็ท้อใจเสียเลยไม่ยอมสู้กับอุปสรรคนั้ น, น, นไม่ยอมหาหนทางแก้ไขอุปสรรคนั้นให้รู้ล่วงไปด้วยดีบางที ก็มีจิตใจหุนหันพันแล่นถ้าไม่เกิดความโศกเศร้าเสียใจก็เอาเกิดความโกรธไปในเมื่อตนไม่สามารถจะแก้ไขอุปสรรคนั้นๆได้นี่เรียกว่าเป็นผู้ท้อถอยเป็นผู้ไม่สู้กับอุปสรรคนั้นๆ เมื่อเป็นผู้ท้อถอยอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ความรู้ความฉลาดอะไรกับข้ออุปสรรคขัดข้อตงต่างๆเหล่านั้นมันก็ได้ตั้งแต่ความยุ่งใจความเศร้าใจไปไม่ได้ความเบิกบานใจดังนั้นได้ให้พึ่งพากันเข้าใจความหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัทนั้นทรงสั่งสอนให้ทำใจเข้มแข็งให้กล้าหารกล้าต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนั้นด้วยสันติไม่ใช่ต่อสู้ด้วยอำนาจแห่งโลภะโทสะโมหะในการต่อสู้มันมีอยู่สองแบบ ใม่พึงเข้าใจแบบหนึ่งก็ต่อสู้ด้วยอำนาจแห่งมานะทิฏฐิโดยความโกรธนั่นแหละแบบหนึ่งก็ต่อสู้ด้วยสันติคือความสงบใจตั้งใจให้มั่นลงไปแล้วหาอุทางแก้ไขอุปสรรคท่านนั่นต่อไป พอเมื่อคนเรานี่มีใจตั้งมั่นลงไปแล้วก็ย่อมเกิดปัญญามองเห็นทางแก้ไขอุปสรรคต่างๆได้ถ้ามองเห็นว่าสิ่งนี้สุดวิสัยแก้ไขไม่ได้แล้วก็วางอุเบกขาลงไม่ต้องเสียใจไม่ต้องดีใจ มันไม่เป็นอย่างนั้นสิคนสวนมากนะอันเมื่อพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้ตนแก้ไขไม่ได้แล้วเช่นนี้ก็มีแต่ทางเสียใจเศร้าโศกไปมีแต่ทางเดือดร้อนวุ่นวายไปจะสงบใจอยู่สงบกายอยู่ก็ไม่ได้ดังนั้นขอให้พากันเข้าใจ ความหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องให้รู้จักความหมายถึงขั้นสุดท้ายหนยขั้นสุดท้ายก็อย่างที่ว่ามานั่นแหละอุปสรรคอันใดถ้าหากว่าแก้ไม่ตกแล้วก็วางเวขาลงไม่ต้องเสียใจดีใจอะไรเอาเป็นไงก็เป็นกันแล้วแต่เรื่องมัน เราจะรักษาเอาเต่ดวงกิจดวงเดียวนี้แหละให้สงบให้เป็นกลางอยู่อย่างอื่นนั่นจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าผู้ใดเข้าใจได้อย่างนี้ทำใจได้อย่างนี้นั่นแหละชื่อว่าเข้าใจความหมายแห่งคำสอนของพระเจ้าถึงวาระสุดท้ายจริงๆเหมือนอย่าง พระองค์เจ้าทรงไปทรมานอรารวายักษ์ยักษ์ตนนั้นน่ะมันกินคนมาจนว่านับเป็นร้อยเป็นพันแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังมีวาสนาบารมีไปต้องข่ายพยานของพระองค์พระองค์เสด็จไปทรมานเอาแข่งลิศแข่งกับพระองค์ผนสุดท้ายก็สู้ อนุภาพของพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ก็ยังถือทิฏฐิมานะอยู่นั้นแหละบอกให้พระองค์ลุกขึ้นพระองค์ก็ลุกยืนขึ้นบอกให้พระองค์นั่งลงพระองค์ก็นั่งลงบอกให้พระองค์เดินออกไปพระองค์ก็เดินไปแล้วก็บอกให้พระองค์เดินกลับเข้ามา พระ อ, องค์ก็เดินกลับเข้ามานั่งอยู่ตามเดิมบบบนี้อรบาบาขยักจะบอกให้พระ อ, องค์ลุกขึ้นต่อไปนี่พระ อ, องค์ก็ทรงสัสว่าดูก่อนอราราบะขยักเราจากไม่ขยับขยื่นร่นางกายต่อไปอีกแล้วบบบ น, นี้นะเราได้ทำตามแก่มามากแล้ว แกจะทาอย่างไรก็ทำพระองค์ก็ประทับนั่งเฉยอยู่อรวรกายัก์ก็ทำอะไรพระองค์ไม่ได้ต่อจากนั้นก็จึงได้ถามปัญหาธรรมะกับพระองค์โดยสรุปใจความแล้วว่าอรวรกายัก์ทูลถามพระองค์ว่าบุคคล เหล่านี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วจักไม่เศร้าโศกเสียใจนั้นเพราะทําอย่างไรอืพระองค์ก็ทรงตรัสตอบว่าบุคคลเมื่อละโลกนี้ไปแล้วไม่เศร้าโศกเสียใจก็เพราะมาลูกแจ้งสังขาร น, นามรูปนี้ตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนไม่ยึดมัน่นถือมัน่นในของไม่เที่ยง เหล่านี้ ừ, เมื่อเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในสวรรค์เมื่อจบทรเมื่อบรรยายลงอรหกายะักก็ได้บรรลุโสดาปติผลเป็นอริยบุคคลได้ปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกตลอดชีวิตไป กะพอดีมีคนนำเอาอารวีราชกุ ม, มารเพิ่งเกิดใหม่ๆเอามามอบให้แกอรวกักยักษ์ตามกฎกติกาที่ตั้งกันไวอรวกักยักษ์อุม้มออกมาแล้วก็กล่าวสรรเสริญบุญญานุภาพของอารวีราชกุ ม, มารว่า กุมารนี่มีบุญบา ร, รมีมากมายกายกองบุคคลเช่นนี้ยอมจักไม่ถึงซึ่งความเสื่อมแห่งชีวิตได้โดยเร็วพัน์ทันเมื่อสนรเสริญบุญญาบา ร, รมีของอรารวีราชกุมารแล้วก็ได้น้อมเอาอรารวีราชกุมารถวายพระศ า, าสดา พระองค์ก็ทรงตรัสสันนเสิญบุญญาบารมีของอรวีราชกุ ม, มารเสร็จแล้วก็มอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทรงรับสั่งว่าให้เอากุ ม, มารนี้ไปเลี้ยงไว้เมื่อเจริญวัยใหญ่โตแล้วก็จึงพาไปมอบแก่พระองค์อรารวีราชกุ ม, มารเป็นผู้มีบุญมาก อก็บรรดาให้พระศาสดาทรงไปช่วยให้พ้นจากความตายไปได้นี่อัมนาจแทงบุญไปงั้นแลนหละเหตุนั้นเนอะจึงมีคําพังเพยว่าถึงไม่ถึงที่ตายก็ไม่วายชีวาวาดใครจะพิคคาดฆ่าก็เมยอาสันถึงคราวตายวายชีวาวันใครไม่ฆ่ากอบอาสันไปเอง <c oughs> อันนี้สรุปลงว่าความคิดความเห็นอย่างนี้มันเกี่ยวกับเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเมื่อบุคคลใดทํากรรมอย่างไรมาแล้วกรรมนั้นก็ย่อมตามมาให้ผลเพราะฉะนั้นคนเราปรารถนาสิ่งใดมันถึงไม่ได้ตามประสงค์เพราะว่าชีวิตนี้มันอยู่ในกรอบแห่งกรรม ดีกคมชั่วที่แต่ละบุคคลกระทามาจะเลยขอบเขตแทงกรรมดีกรมชั่วที่ทัวทรมานั้นไปไม่ได้เลยบัดนี้ผู้ได้รู้อย่างนี้แล้วก็ตั้งใจละก ร, รมชั่วทั้งหมดออกไปจากกายวาจาใจแล้วก็ตั้งหน้าทำแต่กรรมดี ใส่ตนเองให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ผู้ใดรู้ตัวได้อย่างนี้ทำแต่กรมดีใส่ตัวกรรมชั่วปล่อยทิ้งไปถ้าว่ากรมดีนี่มันยังไม่เต็มบริบูรณ์ก็ยังดับขันเข้าสู่นิพพานในชาตินี้ยังไม่ได้ก็ต้องเกิดอีกในชาติต่อไป แต่หากว่าเมื่อได้เกิดอีกในชาติต่อไปก็ได้ชีวิตอันสดใสไม่มีกรรมไม่มีเวรติดตามสนองก็จะมีความสุขสม่ำเสมอไปมีโอกาสได้ประพฤติกุศลคุนงามความดียิ่งยิ่งขึ้นไปขึ้นชื่อว่าบุญแล้วนะมันจะไม่พาไปเกิดในที่ทุกข์ยากลำบากเลย เป็นเชื่อวาบุญแล้วมีแต่มันจะนำพาไปเกิดในที่มีความสุขความสบายสุขสบายยิ่งกว่าความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่หลายร้อยหลายพันเท่านี่แหละอนุภาพแห่งบุญกุศลแต่คนส่วนมากก็ไม่ค่อยจะเชื่อหรอกหรือว่าเชื่อก็อเชื่ออย่างเบาๆ บ, า, บ, า, บางๆไปอย่างนั้นแหละ ไม่เชื่ออย่างจริงจังลงไปเพราะฉะนั้นการทำความดีมันจึงไม่เข้มแข็งไม่หนักแน่นพอเช่นอย่างการละความชั่วอย่างนี้ก็ไม่ตั้งใจละจริงจรออิงเมื่อไม่ตั้งไม่ตั้งใจละจริงๆความชั่วนั้นมันก็ไม่หมดไปจากดวงกิจนี้ มันก็เบาวางไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคนไม่ทําจริงนะดังนั้นนะ่ะเมื่อผูใ้ใดมาพิจารณาเห็นว่าความโลภโกรธหลงอันนี้นะมันทําให้คนเราชั่วช้าลามกทําให้คนเราประกอบกรรมชั่วใส่ตัวแล้วผลแห่งกรรมชั่วมันก็ตามสนองไปในภพในชาติให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปผู้ดใดรู้ด้วยปัญญาอย่างนี้แล้ว ก็ตั้งใจทำความเพียรทางใจลงไปกำจัดกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางไปจนกลัวมันจะหมดสิน้นนี่ตั้งใจลงไว้เสมอทีเดียวตั้งใจลงไว้ว่าเราจะทำความเพียรละกิเลสเหล่านี้แหละไปเรื่อยๆจนกลัวกิเลสนี่มันจะหมดนู่นเราตั้งความมุ่งหมายลงไว้อย่างนี้ นั่นจึงเรียกว่าเป็นผู้เห็นโทษแห่งกิเลสนั่นจริงๆคนเรานี่ทำอะไรแล้วถ้าว่าไม่ตั้งใจแล้วไม่สำเร็จแน่นอนเลยทำไปอย่างลอยๆอยทำไปตามเพื่อนก็มีถ้าไม่ทำก็กลัวเพื่อนจะนินทาว่าร้ายก็มีการ ทำความดีละความชั่วแบบมีอคติอยู่ในใจอย่างนั้นน่ะมันมันไม่สําเร็จประโยชน์หรอกละความชั่วก็ได้นิดหน่อยทําความดีก็ได้นิดนดหน่อยๆไปเพราะเพราะนั้นอะ่ะถ้าหากว่าเราเห็นแจ้งในใจแล้วว่าความชั่วเป็นของคนละเราละความชั่วใครจะนินทาว่าร้ายอย่างไรเราก็ไม่กลัว อ่าถ้ามันเห็นแจ้งโดยปัญญาแล้วเพราะว่าคนอันธพาล น, นี่นะ่ะมันก็สนรเสริญบุคคลผู้ทำชั่วมันก็นินทาว่าร้ายคนผู้ทำดีนิสัยคนอันธพาลเป็นอย่างนั้นเห็นคนอื่นทำดีได้ดีนะ่ะกิจฉานิสยาอา่าถ้าเห็นคนอื่นทำชั่วลงไปชื่นชมยินดีด้วย นินสัยของคนพาลซึ่งตรงกันข้ามกับนิสัยของบัณฑิตอันบัณฑิตนี่ถ้าเห็นคนเขาทำดีก็ย่อมสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือถ้าสามารถจะช่วยได้ถ้าเห็นใครทำชั่วลงก็ตั้งกิจเมตตาหากว่ามีโอกาสที่จะแนะนำให้เขาละความชั่วไปได้ ก็พยายามแนะนําให้ให้มันละความชั่วนั้นไปเสียไม่แสดงความเกลียดชังเบื่อเมื่อนายตั้งคิดเมตตาลงไว้นิสัยของนักปราบบัณฑิตเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่ามันเหลือวิสัยช่วยเหลือไม่ได้แล้วก็วางอเวคาลงรังเกียดก็ไม่ังเกียดรักก็ไม่รักอย่างนั้นก็วางอเวคาลงไปว่า กรรมของสัตว์สัตว์ทั้ททงหลายทากรรมอันใดก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่ก็ตั้งอุเบกขาลงอย่างนี้แล้วก็สบายไปนี่แหละ ว, วิสัยของนักปราบบัณฑิตนะพิจารณาเอาว่าตัวเรานะจะบําเพ็ญตนเป็นนักปราบบัณฑิตได้ไหมเนี่ยคิดเข้ามาสู่ตัวเขาตัวเอง อย่าไปคิดเพ่งเรงไปหาแต่ผู้อื่นอย่างเดียวอันผู้อื่นนั้นมันก็เรื่องของใครเรื่องของมันในในขั้นแรกนี่ต่างคนต่างก็ช่วยตัวเองนั่นนี่ถ้าผู้ใดช่วยตนเองได้แล้วนั่นแหละเมื่อเห็นผู้อื่นยังตกต่ำอยู่อย่างนี้ก็จึงคิดช่วยเหลือ ถ้าตนเองก็ยังช่วยตนเองไม่ได้แจ้นี่ก็ไม่ควรที่จะไปคิดช่วยผู้อื่นถึงคิดแล้วมันก็ไม่สำเร็จได้เพราะแต่ตัวเองก็ยังช่วยตัวเองให้พ้นจากลมคือความทุกข์ความยากความขัดข้องอะไรต่ออะไรหมู่นี้ก็ยังยังยังพ้นไปไม่ได้ดังนั้นนะ่ะข้อสาคัญมันจึงอยู่ที่ว่า ทุกคนนะต้องมาคิดช่วยตัวเองตอนมีความขัดข้องอะไรมีอุปสรรคอะไรอยู่ในใจนี้ก็พยายามแก้ไขอุปสรรคอ น, นั้นให้มันลุล่วงไปด้วยดีให้ได้มันมีทุกคนเละอุปสรรคในใจนี้นะบุคคลผู้ยังละอาสวะกิเลสไม่หมดสิ้นไปแล้วมันมีอุปสรรคทั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้นนะทุกคนอย่าไปนิ่งนอนใจกิเลสนี่แหละเป็นอุปสรรคของชีวิตคนเรานี่นะ <c oughs> ก็เมื่อโลภะความอยากได้มาเกิดครอบงำจิตใจขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ทำให้ใจเนี่ยดิ้นโดนอยากได้อะไรต่ออะไระไม่มีสิ้นสุดอย่างนี้เอาตนอยากจะ ทำใจให้สงบสบายก็ทำไม่ได้เพราะมันมีแต่ความอยากอนนะหนะมากระตุ้นใจอยู่เสมออันนี้แหละที่ให้เห็นว่าอุปสรรคของชีวิตจิตใจนี่นะใจนี่อยากอ ย, กอยู่เฉยๆมันอยู่ไม่ได้เพราะตนเองสะสมขีเลศใส่ใจมานมนานหลายชาติหลายพบแล้วมาบัดนีป้ปันจะันอยากมาอยู่สงบสงบโดยไม่ต้อง ต่อสู้อะไรต่ออะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้ต้องให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อตนได้สร้างมันมาแล้วบัดนีเมื่อตนมาเห็นโทษของมันแล้วก็ต้องเคียนละมันเลยเมื่อเมื่อมันเราเบื่อมันเราละมันมันไม่เบื่อเรา่านี้มันอยากอยู่กับเรามันก็ต้องต่อสู้กับเรานี่ยคล้ายๆกับว่ากิเลสที่มันมีชีวิตทีวา ถ้าพูดไปอีกในหนึ่งก็ดีแต่ที่จริงแท้มันก็ไม่มีตัวตนชีวิตทีว่าอะไรหรอกมันเป็นความหลงของขีดนี้เท่านั้นเองหรอกอันกิเลสก็เป็นธรรมารมมาหนึง่งเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแต่ว่าใจนี่สิมันหลงอ่ะเมื่อมันหลงแล้วมันก็สร้างกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆ อ, อย่างนี้นะจึงว่าคล้ายๆกับว่ากิเลสจะมีตัวมี ต, มตนนะ มันมารบกวนจิตตัวเองอยู่อย่างนี้แต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ได้มาเองอกิเลสนะมันไม่ได้เกิดเองจิตตัางหาสร้างมันขึ้นพงแต่งมันขึ้นนี่นะเราต้องคิดดูให้มันรู้แล้วต้องอยังสติเข้าไปให้มันถึงจิตมันจึงจะรู้ได้ว่ากิเลสทั้งหลายเลยนี่จิตตรงนี้นะ พรุงแต่งขึ้นต่างหากมันถึงมีได้ถ้าจิตตรงนี้หยุดซะแล้วไม่พรุงแต่งมันแล้วกิเลสทั้งหลายมันเกิดไม่ได้เลยที่มันเกิดมาแล้วแต่ก่อนนั้นมันเมื่อจิตไม่ส่งเสริมมันแล้วมันก็เฉาตายไปเองมันเหมือนอย่างต้นไม้ที่ปลูกลงในดินถ้าไม่รดน้ำแล้วมันก็เฉาตายไปเองมันมันไม่ไม่มีอาหารเลี้ยงมันนะ อันกิเลสปาประธรรมก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยเมื่อจิตที่ไม่ส่งเสริมไม่ยึดไม่ถือมันเสร็จแล้วมันก็ไม่มีที่พึ่งแล้ววันนี้นั่นเองไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยมันก็เหี่ยวแห้งไประงับไปเองมันดังนั้นจึงสรุปลงได้ว่าการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ขอให้พากัน เอาใจใส่กับดวงจิตดวงเดียวนี่แหละให้มากอย่าลืมจิตดวงนี้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจะทำการงานอะไรต่ออะไรก็ให้กลัวตัวจิตดวงนี้เสมอจิตตัวเองยังตั้งมั่นปกติอยู่หรือว่ามันอุ้นวายมันฟุ้งซ่านไปกับอะไรมันเศร้าหมองกับเรื่องอะไรมีหรือไม่โมนี่ต้องกลัวตัว เมื่อกรัว ด, ดูอยู่บ่อยๆอย่างนี้ถ้าเห็นว่าจิตนี่มันเผลอไปยึดอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งอย่างเนี้ยก็รีบกําหนดละทันทีเลยเอเมื่อรู้อ่ะไม่ทันให้มันยึดไปนานเช่นนี้นะกิเลสมันก็ไม่ได้ก่อตัวขึ้นถ้ารู้ว่าจิตตนเองนี่ไม่ได้ยึดถืออะไรเป็นปกติรู้เห็นสังขารทั้งหลายเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้น ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนสักหน่อยเดียวอย่างนี้เมื่อมันเห็นอยู่รู้อยู่อย่างนี้จิตก็ไม่วั่นไหวไม่วุ่นวายเดือดร้อนอะไรเลยอ่ะก็เป็นปกติอยู่ได้ก็พยายามรักษาความปกติของจิตนิไว้อย่างนั้นเสมอไปเช่นนี้แล้วผู้นั้นก็จะได้ชื่อว่า เป็นผู้ทำการต่อสู้กับกิเลสโดยสันติดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้